แนะนำบทอัลกาฟิรูนบทอัลกาฟิรูนเป็นบทมัคคิยาะมีหกองค์การที่ความเสน่หกภาพแห่อัลลอฮ์และพ้นจากการตั้งพาธีและการหลงทางพวกเขาบูชาเจเวตได้เรียกร้องท่านรอซูลสันหลอนล้อวะไลวะสันหลังไปสู่การทำสัญญาสมบสิทิและเรียกร้องท่านให้สการะบูชาพระเจ้าของพวกเขาเป็นเวลาหนึ่งปี และพวกเขาจะเคารพพักดีต่อพระเจ้าของท่านเป็นเวลาหนึ่งปีเช่นกันดังนั้นบทนี้จึงถูกประทานลงมาเป็นการตัดความหวังและความโลภของพวกปฏิเสธและเป็นการชี้ขาดตัดสินข้อขัดแยง้งระหว่างผู้ศรัทธากับพวกบูชาจเจวิตและรูปปั้นอีกทั้งเป็นการตอบโต้แก่พวกปฏิเสธถึงการนึกคิดที่น่าสังเวช ท, ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ด้วยพระนามของอัลลอ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออุฮจงกล่าวเถิดมวฮัมหมัดว่าโอบันดาผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายอาบบุดดม ฉันจะไม่เคารพพักดีสิ่งที่พวกเจ้าเคารพพักดีกันอยู่และพวกเจ้าก็ไม่ใช่เป็นผู้เคารพพักดีพระเจ้าที่ฉันเคารพพักดีและฉันก็ไม่ใช่เป็นผู้เคารพพักดีสิ่งที่พวกเจ้าเคารพพักดี และพวกเจ้าก็ไม่ใช่ผู้เคารพภักดีพระเจ้าที่ฉันเคารพภักดีดดสำหรับพวกเจ้าก็คือศาสนาของพวกเจ้าและสำหรับฉันก็คือศาสนาของฉัน